เรื่องพิจารณาก่อนตักอาหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยคุบาอาจารย์พ่อแม่อา้นองเด็กรร ม, มจาริเมกธรรมจาริมีผู้หักแพงเขาหลบนับเือสุกคนในโอกาส ต่อเนี่ไปก็เป็นวางเวลาทีห้องทั้งหลายสิเดตักอาหารแนวอยู่เนี่ยกินใส่บาตรใส่พกแต่ละคนใส่ผ้าชนะขบสันนี่ชว่วงนี้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ห้องกาลังปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นบมเมนว่าห้าสิต่อ เขาค่อยปฏิบัติต่างแต่เวลาที่ห้องหนังสมาธิภาวนาตัวนั้นถูกอิทธิ้าปกายเคลื่อนไหวใจนึกคิดต่า ง, างๆเ้าสิบ่องมีสติสมัมปชัญญะคู่ับคุ้มอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้จิตใจเข้าเป็นแงดงไดโน่ในเมื่อเข้าเห็นอาหารหวานข้าวเน่ายอยากน้ำกินเข้าได้อด อาหารมากินเข่ามือละเถื่อในภาชนะอันเดียวนี้เกษตรก่อนเกิดความห้อยหิวความอยากแห้งขึ้นกลัวธรรมดาจุบันย่เอเฮื่นในขณะเดียวกันขันเขาบมีสติสมัช ญ, ญัญข้าวเกษสรฝ่าวตะกุมตะกามฝ่าวตักฝ่าวเลือกเอาความอยากเป็นเรื่องของจิตใจอันประกอบไปด้วยกิเลสตัณหา ส่วนควมหอยหิวเป็นเรื่องคองทางร่างกายมันต้องการอาหารซึ่งกับเป็นปัจจัยที่ตังอ่ใดคองกลร่างกายของเฮ้าธรรมดาคนห้องปวา่าผืนและสัตว์ที่ใดอาศัยดินนามลมไฟม้นเวียนเปลี่ยนไปกันด้วยเชนสีมันก็เลยเกิดอาการหิวเพื่อสี เอาดินเอานามเอาไฟเอาลมเข้าไปแต่การทายที่ความหิวเป็นเรื่องของทงางห่างกายกินเข้าไปพอดีพอก้ามมันก็อิม่มแต่ว่าความอยากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสตันหาที่มีในจิตในใจในท้องของเขา น, น้อยๆนี้สี่บัรจุได้ใส่เข้าไปได้ แต่ความต้องการของร่างกายคือความหิวใส่ก็ไปแล้วหัวจะอิม่มหัวจะเต็มใตส่วนควมอยากนั้นร่างกายท่องใสของเ้อาบอสามารถบรรจุควมอยากให้เต็มท้องได้พอจังสันพอเม่อนองที่หากเพ่งพอเญยไม่ไงแตลอดทั้งหมูผสมเจ้า จะหัวโจวหน่อยโมพะสององกาสามะเน้นเขาให้มีสติสัมปจัญญาว่าเฮ้าสิหุจักโพชนี่มาตั้งตาห้อประมานการคบการชั้นการกินการอยู่ให้มันพอดีพองามกับทองในหน่อยของเฮ้ายาสุดตามแก่อย่างมันสิหล่นสิเลือขฮันเมนห้องตักหลายมันสิเลือเมื่อเลือแล้วความิยกะ รวนกับเศร้าเบา บ, า, บางเอมไปแล้วห่วมอยากพอสา ม, มารถทิสิ่มใดแต่กระท อ, องบ่อยแย่งกันไปน้าเฮาจะเอาไปถิมไหววนอย่างไรบานี้ถิมไว้กับเป็นส่วนเฟอร์ส่วนเกินยอมบ่สมควรกับห่วมเป็นพุทธสาบลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเฮาควนสอนในเฮา หู้จากประมาณในการกินการอยู่การเหเ็ุอีกทั้งก็ตามคันพ่อดีแล้วมันดีอีกมี่นึงกับขุนศิเดขึดแต่อ่านว่าพอ่อเมย์ไอหน่องป่องปายว่าทรงองค์เจา้ามีหลายหกหลายองค์มีหลายผู้หลายคนหลายปาทหลายเมืองหลายพอหลายเห่มมันทำกัน ข, ข้าวขุนศิดขหอดผู้อยู่ทางหลัง สมุดวาห้องตากเข้าไปนี่เกิดผูทั้งหลังพอเพียงบอพ่อแต่ทั้งห้องที่หล่นเลือมันก็จะเกิดการบอพ่อดีเขอให้มีความหักความแพงเผยแผ่เมตตาปาณีเกิดมาจากจิตจากใจเบิงเงี่ยงสกุลกั น, กนขันมันเรือเรลวก็สิใดเป็นประโยชน์แอผู้อื่นสัตอื่นคนอื่นในโลกเหนียงมี พวมอึดจากขาดแค้นหอยหิวพภชนาการต่างๆในทวีปอฟริกาในประเทศอินเดียประเทศที่ยากจนไม่แต่ในประเทศฝรั่งโซเวียตรัสเซียก็มีปัญหาเรื่องการอยู่การกินขาดแค้นพอชึงซันเข้าทั้งหลายคนรสีขึพินิจพิจารณาด้วยคนกะพีนี่กันนองขันตัก หลายทั้งนี้ทั้งหลังสิยพ่อบอ้ให้ห้องคิดปาจัางสั้นส่วนมันเลือกอะไ้เสียดายมันเลยเอาไหว้ให้คาราวะาหายายโนมผู้อื่นผู้อื่ได้อยู่ได้กินข้มพ่อดีนี่เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อเอื่นความัดตะภาษาบาลีว่าพ่อดีพอดีพอดีกลางๆเข้ารังหลายคนสิได้คือแต่อ่าน แค่นก่มันพอดีพ่องอ่มนั่นคือการปฏิบัติธรรมเป็นสัตบุรุษโดยเฉพาะ เ, ออเรื่องอยู่เล่นกินนี่มันสำคัญเกี่ยวพันกับใจกับใจขันกินหลยร่างกายกระสินักสินวงเติดความหมวงเงาเฒ้านอนเ้่างาบับงาบับนั่งสมาธิเล้วเดียวก็อยากนอนพระพูทธเจ้าขเข้ากันบอกว่า จตารโรปัญจอาโลปิเวอาโลเปพุดธวาอ า, า, วาลังพาสุวิหารายปะหิตัตตสพิกุโนพิกสุทั้งหลายหน้ามื่อกินเขาไก่สีอิมเรือสีหาคำให้เศร้าซาแล้วก็กินน้มตื่มลงไป สิเกิดค่วมพ่อดีอะลังอาลังแปลว่าสมค่วรพ่อดีผ้าสุภิหารเนี่ยไปตัตตาสะพิคนุสิเกิดค่วมพอดีอออดาาดดเกิ ด, ดความผ้าสุขเหมาะสมแกผ่ผดสุแก่บุคคลภูที่มีตนทรงไปแล้วจากเฮือนจากซ่านเพื่อประกอบความเพียรอย่าลืมมาถามมันหลายไปนั้นมันบอกพ่อดีเลสเกิดทุก ความอยากนอนตีเหลียงบุไรเอ่ปัญหาดิปโตก๊กเ้าบุได้ขุดดินซีนใหม่แบกใหม่ไหนคอนอียังการใส่เหือใส่แห้งเป็บบ่มีความจำเป็นหลายจำเป็นจะใส่เหือแห้งทางสติปัญญาทางความผาเพียนเพราะเหตุนั้นข้อให้มู่เฮ้าเจ้าขอ่อในพินิิจารณา เล้วก่ะอาหารการกินที่มีอยู่ตอนหนา้าตอตาที่เห่าเห็นนียาโสภากันเบื่อหน่ายเด้ อ, อยาโสขีเดียดสิ่งมนีขอใหพ้พากันแต่คิดให้ดีๆว่าการที่เห่ากินใส่าปาดใป่้าชนะอันเดียวนี่ไม่มีประโยชน์ในการขัดเกาว่าในการฝึกฝนตนเอง ผู้หลังคนเลยคือว่าโอ้ยจิกินแตงใดๆนะบว า, วาเนเียเลือกอันนั้นเลือกอันนี้อย่านบ่ถือการว่างไฟในถ้วยในชามในป่าอันเดียวคนเป็นจริงที่สุดก็คือเมนวาเฮาสะกินคนละเถอะละง่ามก็จะเป็นห้ร่วมกันอยู่ในทองในใสในพุ่งอันเดียวกันเขาจะบ่พิจขอบตรงเทียงกันหุ้มเสพหุมนัวผานปลายลิน้นผานลําคอไปแล้วกระเบิ้ เมื่อหลดบทชาดแสบนัวทั้งหลายมันสิสุขูสุญา่ตัวยอยู่ในปลายลี้นในาข้อเลวมันก็จะไปค้งอยู่ในถ่องเป็นการเปสภาพออกไปรอเหลี่ยงอนุภาคต่างๆของห่างกายพระพุทธเจ้าเข้าันจังบอกว่าอัญญาพุ่นเช่ น, นะยาเป็นต่างจะไม่สุอันเปกิ น, นันตี บริโภคอาหารอันเจือปนกันยั่งอัตภาพให้เป็นไปบอกหัวซาด้ำคว่แสบทั้งหลายคนบ่าคว่ำบอกคนบาบางกี่นี่นั้นพัวม็นว่าบ่าอยากแหงียแต่เข้านี่แสบนวมันแสบก็จะไปแสบน้ำมันการกินอาหารเพื่อให้อัตภาพร่างกายต่างอยู่ใด ก, การกินอาหารเพื่อให้อย่างกิเลสให้มันอ้วนให้มันตุยให้มันพี่คือให้กิเลสอ้วนกิเลสพี่กระมีเลยเข้าสิกินให้กิเลสจอยบอุหัวซาน้ำพวามเซบพระพุทธเจ้าวันจังว่าการเมสุอนาเปกที่นันติแปเป็นภาษาลาวอิสานบ้านเฮาวา บอ่วหัวซาหนำเสพทั้งหลายขันเข้ามามั่วหัวซาหนำเสพมันก็ะสือเลนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาการกินอาหารนั่นตาไม้ก็คือเพื่อล่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่ยังเป็นสุขยังอัตภาพนี่ให้มันอยู่ไปไหนเพื่อประเพริปฏิปัติสิ่งทีดีที่น้ำ แต่ว่ากันเทากินอีกแบบหนึ่งตามอกตามใจความจากความปานะมันเกิสิะไปตืมให้กิเลสอ้วนข่ว น, วนสมบูรณ์กลายเป็นคนบรสามาติสีหัวบคุมจิตใจเจ้าของใดการที่เทาจะไปควบคุมเอาความโลภความโกรธความห ล, ลงอันเป็นตัวใหญ่พอแม่ของกิเลสแต่ฮามันเกิดสิเป็นเรื่องที ลำบากเพราะจัสนสรรท้าวก็เลยต้องควบคุมฝึกฝนตั้งแต่หองหยาบหยาดที่เท้าได้โหได้เห็นอย่างนี้ให้มันงายลงส ก, ลก่อนแล้วก็ค่อยเล็กลงไปเพียงขั้วละเอียดอ่อนของกิเลสตันหาเพราะจัสนสรรไม่ได้ยงยามกินเขาพระพุทธเจ้าของเท้ามันค่อยเบาค่อยว่ า, า, าเล่าวนใ ห, ห้เท้าได้ขึ้ อาคติโตอมุติโตอนาชาปนโนพยยะทัดสาวีวิตรณปัญโยสาบินทะปะโตบริพุนเชติบริโภคอาหารบินทบาทนั้นบอ่อฝ่าวเขียวบอ่อฝ่าวหย่ำบอ่อฝ่าวกืนบ่อ หลงอ่อนซ่อนส ย, ยบเลี้ยวเห็นโทษเลี้ยวเห็นภัยหูจักท่าออกปดปล่อยตอนเองด้วยสติปัญญาควาบบ่อจังสีมีคุณค่าท้งดานจิตใจการประพฤติปฏิบัตินันเป็นข้องละเอียดอ่อนเพราะไงไม่ไงไอ้นองแกฮักเพลงเอ้ยครูบาอาจารย์เอ้ย ว่เรีนว่าห้าสิห์เห็ุคือเลนเหื่นดอกหน้าฝ่าตักจ้วงจ้วงเอาเนี่ยได้สีแสบเนี่ไดสีนัวมูสีด่ายได้บุได้กระซังทั้งหลังว่าแต่ขาพระจโจ้าหัวคาดมีดายโพชนี่มาตันตุงเอาพุ่งเป็นประมาณในการบริโภคอิ่มเต็มท้องหรือแล้วค่อยไปทอกทิมสังหวัวมันเจงสี่ฝนกระเอญว่าอนุโซตาคามียเรนไปตามกระเสของกิเลตันหา เตว่าขันเฒาเห็ดชื่อพระพุทธเจ้าเขาบอกคอยตักเลือกพอดีกับทองกับใส่แสบบแซสบกินกินกับบะฝาบเหีบบอีลูกผุบบาบสดแล้วเขียวน้ำลายไหลมือหนีปั่นคำเขาไว้จ่ออีกมือ น, นึงนกับยัดเข้าไปงมพ ร, รวกบพ ร, รวบกืนเกือกเตรียมน้มไปถายาตามันเขีนมัน ขังจังสี่บ่แหม่นกินเหลี่ยงร่างกายแต่เป็นการกินเหลี่ยงกิเลสเนาะสิกินสากกะดีสิกินไหวกระตามห่างกายร่างกายห้องสิได้รับถอกเอาเทว่าขันกินไว้ไหวมาหลวบมาหลวบมหลวบกิเลสใจอาหารเหลี่ยงในกิเลสตามอกตามใจ บอ่อสามาที่สิเศธกำลังบังชาของกิเลสให้อ่อนโตลงขันกินซาซาบอ่อตามใจอยากพอตามใจเสพเสียพยาหัวมันย่ำตัวไอตัวยเบิงล่มหันใจไปน้ำเบิงจิตเบิงใจไปน้ำมันก็สิเหตุให้กิเลสจ่อยกิเลสพนจะกวนได้เพนไ ด, ด้ดังใจลมาติบอ่อฝ่าวบ่หิ อาคชิตโตอมุติโตอนาชาปนุนบ่ฝ่าว่าบ่ฝ่าวกืนบ่ลงมัวเมาน้ำเสบหรือบวดเสบพญหัดสาบีอาทินวะขัดสาบีว่าเป็นผูเรลียวเห็นโทษเป็นผูเหลียวเห็นภัยในควมหลุ่มลงมัวเมา นิสระนปัญโยมีปัญญาหาทางออกจากกิเลแต่หานั้นโดยการบาวชฝาพ่หิบเบื้องเงี้งจอบงการกินเกษตรกินเดชหัวหมาล ะ, มะว่างเลิมตั้งแต่ตักอาหารเข้าเกษตรตักแกงพอดี่พ่อเงำอยากแห้งเกษตรพ่เอาหลายปันได้ข้วาวตักตามความอยากกัน ขับโล่งมากินเบเบิดกินบเบิดชมูที่อยู่ทางล่างก็อาสิบพุพอความเบาคว้าวหวานนี่บวมนหวงบวมนเพง่งเตวาอยากให้เฮ า, าจะฝึกฝนอบรมจิตใจเมื่อไม่ๆมามาไม่ๆนี่อาจสิตักเลือกเมื่ออื่นมาอาจสิบพุพอ มึงอาจสิพอดีโลกขูมึงหนีขาดแค้นคนทุกคนอยากหื่อยแย ง, งสวเวดิฮะนั่นก็ะยอนว่า ก, กินหลายกินเลี่ยงกิเลสนั่งว่ามันกินแต่ทั้งปากกินทั้งตากินทั้งหูกินทั้งดังกินทั้งไอทั้งขี้งกินทั้งจิตทั้งใจ จึงต้องเป็นทกปัญหาหน้าหน้ า, นาประการเกิดขึ้นเพราะว่ญญาหยาดกันกินกินทั้งตาแนว่ยไามา่ตาเปิงกินทั้งหูาาาหาแนว่ยไม่หูฟังกินทั้งดันหาเนี่ยไมา่ดังดมกินทั้งปากหาไมาเส่ปากใส่ลิน้นให้เหลี้ยงได้ซิมกินทั้งกายสัมผัสห น, น, นุ่มนวล กินทางอารมณ์ทางใจกินบ่จกเอียมกินบ่จกเศร้าคดจังสันคดจังเสี ย, ยบอยาบ่เศ้าบอแาบ่ล้วบ่ทั่วพอเหตุนั้นการมากตการกินกะดีการไปนนางกินกะดีคอให้ค่อยค่อยผิดเจรณาอย่าฝ่าว่าหินเดือ ห้าจะได้เห็นนำหนาตัวกิเลสดัตวตตนาโตมันพาหฮาแหลนห่าเต็มห่าขึ้นสวรรค์ห่าตกนรกแต่พิษของตองเที่ยงหย่อนหยาิของมณีการพ่อแม่โลกเต่าพิษกันหย่อนมามนีมาฝึกมาหคักๆมาจอบมาซ้อมมาสิงมาบึงเจ้าของเบึงกายบึงใจ มันเป็นยังไงวันนั้นการตักอาหารของเ้าาก็ขอให้ตั้งอยู่ในสติสัมปชัญญะเราอย่า ล, ลืมผู้ันมาสนับสนุนมาเลี่ยงเกียเพียมเพิ่มอยากไ ด, ดุ้นไดุ้ดสนน้ำเห้าผู้ลังคนทั้งมาปฏิบัติพร้อมทั้งมาเลี่ยงหมูน้ำพี่น้องทั้งเมืองเลย เป็นวาวจจอยจอยยังวะหันมีรกไม่เมียออกเงินมาผู้ดียยสี่พันมาเสือเนี่ยูเนี่ยกินเรียงพีเลียงหนองโพประพฤตปฏิบัติธรรมตนเองกับมาหนุงขาวห่มขาวประพฤตปฏิบัติธรรมนำเงินท่องเรานีไปทําการทํางานกรุงเทพกรุงไทย เก็บหอ ม, บอมร่มริบด้วยความหยาดความจนพัดผาจักพอจักแมพี่นองไปได้เมื่อแล้วแทนที่เสดไปมวนไปซื้นสื้อทั้นเก่งเสือผ า, า, า, าเมนงอวดบานอวดเมืองตามภาษาคนหนุ่มจับโขดหัวเรล่าเกาหัวหยาเอามาซื้อเนวอยู่เนวกินเลียงพีเลียมหนองบำรุงภูประพฤต สิ่งประพฤติธรรมที่ดีที่งามตัวเองก็ได้มาประพฤติปฏิบัตินำโอ้ยอ่อนซ่อนจิตอ่อนซ่อนใจเลยนาะคนห่างว่าคือกันโบ้คือกันแต่จิตใจคนห่าต่างบุญสางบาปสางกรรมมากว่คือกันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนูทรงให้มาเป็นคนอย่างที่ ผวกเข้าทั้งหลายที่ได้มาอยู่มากประเฤตปฏิบัติก็ขอให้ระลึกหนึกถึงขุนงามความดีอย่าลืมแผ่บุญแผ่กุศลถึงรผู้ที่ได้มาสนับสนุนคำจุดให้เฮงเอาบุญแจกจายยายปั่นกันผู้ที่มาทำบุญทาทานทั้งหลายกะขอให้สื่นชมกินดีการได้เหตุจังสี่หายยาก วเลิดปีกะหายอยากหอยที่ปีหนุนคูบาอาจารย์เพ่นผ้าเอาปุ้นอันเป็นบุ่น อ, อยต่อยบุญนบริสุทธิ์ขันเท่าเสียเหตุเองแจ๊กเสียจากเรี้ยวน้องเอาเนเาเินไปจางมาหนุ่งขาวหอมขาวมาอยู่แต่หฮมใหม่กินเขางามเดียว ไปที่เยวเชิญผูนั่นผูนี่ตัวแผ่นดินดิมาต้องเสียคารถไปหาเชิญจากคารดคคาเล่อนก็จกมาโอ้ยมีเงินเป็นแสนหกกระเห็ดไปวันหนีบุคคลเรานีลวนแต่เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจไฟทรมเพื่อนเอิรนวาวันนัดโผูไฟทรม มาจากไกลๆปากันมาเสียเวลาหลันอนกับดินกินใก่หอมไหม่ทำกลางอากาศอันหนาวเหน็บหรือสิเกิดฝ่าเกิด้นอยู่เฮือนอยู่ซ่านเฮาบอึดปอยยากบ่เม็นบ่เฮาอึดอยู่บ่เม็นว่เฮาอึดกินบ่หวานบ่เม็นว่าอึดปนอยู่ปนเศร้าเฮือนซ่านล้านแป้งเชิงนุ่งคองถือ ข้ามีสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์อยู่บานอยากสิกินง่ายได้ก็กินนอนรับๆ ล, ลุกมากินเหมือละซ้ำเทือเท่อนซีเถื่อนอนอยู่เงินลมผัดกับบเฟลมีห้อมฮับผ้าหอมร่วมอุ่นหอมบ้านตลอดข้ามือสาวอยากตือนง่ามใดก็ได้ไเตว่าบัดนนี้มานอนกับดินกินไต่ห่มใหม่หอยู่ในถ้วยในผวงชาชนะอันเดียวเอกเกปาญหามานี่ มาเพื่อฝึกเพื่อครับคิดใจของตนเองเพื่อเสียายมันเห็นค่วมเป็นจริงของชีวิตคนโบราณันา่าหาอีังี้กะบอกหย่กทอหาตนจนอีังี้กะบ่กจนทอปอนจนปัญญาปัญญ หาตัวตนของเฮาให้ตัวตนมีแกนมีซานเป็นแกวเป็นแบรนมีสิมีทำในหา ย, ยากงาเพราะผู้ใจเจ้าคนเคยบอกมีมมพวกฟูซายสามสิบคนน้าหาแม่ยิ่งแม่ยิ่งคนหนึ่งรักเอาเสื้อเอาผาเพิ่นแล้วก็น้นนนำหาน้ำป้ายนําไปไปเพาะ ก, กับผู้ใจเจ้าเฮ็นไม่ยิ่งเมื่อนี้บ่หอบเสืออ้อหอบผามากฉัน พวกก็หน่อยทั้งหลายนําหาเขาหลักเสือหลักผ่าไปยิ่งผู้สาวเดไว้สันถ้าุู้เจ้าบัเลยว่ามู่เจ้าสินําหาไม่ยิ่งผู้สินําหาโตเจาะของเห็นแล้ว่าโตเจ้าะของจังเที่ยวไปนําหาผู้อื่นเฟืองพวกนั้นจะเรียกวังนากั็นผัวบอกเพ่แว่เอาแมนควบคุมได้ในน่ เขาบอท่านหัเมือเจ้าของเลยดูอ้วนี่บอกหัวเมื่อขี้งบอกหัวเมื่อขุ่มบอกหัวเมื่อใจเอิว่าบอหัวเมือตนโตบอหัวเมือเนือบอหวเมือขี้งว่าเฮานี่คือผู้ได้เกิดมาเหตุยังสิบีชีวิตอยู่ไปจังไดมวิถีกินแต่โยมวนซึตายไปตกนโกเขินตะวันเวียนเสมาเสดสิทัวเป็นว่าสักอ้วนไปหาตนพระพุทธเจ้าเขาก็เลยหาตนไปหาพุทธเจ้า บวชสำเพอนกเ็เลยแสดงททำให้ฟังอัตตะที่ปาอัตตาสละนาธรรมะที่ปาธรรมะสละนมีตนเป็นทีเพิงที่อาศัยมีโตตนเป็นทีระลึกถึงมีธรรมะเป็นทีอาศัยธรรมะเป็นทีระลึกถึงให้มีสติปัฏฐานหูเมือ่อขิงหูเมือ่อพ่วมหูเมือ่อใจหูมือโห้อยู่ตลอดหล้วก็จะเห็นตัวตนที่แท้จริง อันเป็นชีวิตที่แท้จริงสิว่ามีทุกข์ามมีโศกดับเป็นทีบรรเทาเบาบางคววมโศกเศร้าคัดเกาค่วมทุกข์ให้ศูนสิ้นไปบรรลุธรรมอันเถือกตรองทึงฟังพญิพานบรต้องเกิดตายผู้คนเราเนี่ยหาโตเจ้าของพอเลยไี่เป็นพอลหัน แค่ S <S <an ly> ห้มามเนี่ยก็มาหาโตมาหาตนหาโตให้พอไอ้เห็นมาหูวจักชีวิตใน ห, หู้โตใดมันพาอยากจูอยากกินโตใดมันพาอยากหายโตใดมันพาหายหัใหายซังโตใดมันพาอุพาอังพาหอกโผล่สง่าพาหัวเตือนหัวเตือนว่าบอกเปไ็นไรเห่งสิไรนอกครไงไม่ไหเทิ้งมืดหนี่ห้าม า, เ พ, มาเพื่อฝึกเพื่อหัดอบรมตนเองบ่แ ม, มนมากหย่อนอึด เาขากินบได้มาหย่อนอึดนิ้วเสียบบุรีมาหย่อนจยากนอนบนนอนดีๆอยากนอนดีแจงได้อยากซืมานอนกลางที่ดินแตะหฮมใหมห่เราไอยไงไ<ม>่ายไเท่เข้าบรุรนมาเพื่อว่าอยากซืมาเที่ยวมา ม, มวนมาเซินฟังหลอกฟังล่ำว่าแมนบ่รมาเพื่อสิอได้นุนโฮมอย่างดีสิ่งมงุญอันเขามีสมบูรณ์เท่สิ่งที่เข้ามานัเพื่อสิ ห้า่างออกจากความทูกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นผูน้ให้ลูกปุกให้เตือนเพิ่นบอกกล่าวกันฟังให้เหำำตุนําทําตามหกเหม่เจ็ดเหม่เถอะที่เราเสีเวลาได้อยู่ตํากันโดนนานมาแล้วหลายส่วนพอแม่ห้องบอกเคยมีครูบาอาจารย์ ผ้ามาฝึกมาดมีแต่เอินเข้ามาทา่ท า, นทานท่านเดอนท่านทิดท่านหาได้เป็นเทว ด, ดาบนสันฝายย้อนยอนหนวเท่านัน่นบ่คอยมีเพิน่นเสมาเอินให้เห้อามาผ้ากันทำความเพียรมาบอกให้เบิง้งจังสันเบิง้งจังเสียหายอยากแตขท่าเถื่อครูบาอา จ, จารย์เพิ่นลมห้ตายจากไป ผู้ใดที่สิมหาอาวนเนวนี้อีกต่อไปอันนี้เป็นบุญแท้บุญอ่อยต่อยเป็นเอิ่นว่ากองอุศนพระพุทธเจ้าก็เข้าปนญญาทีสุทั้งหลายขันผู้ใดสิบอกให้ถือว่ากองกุศนกองอุศนนั้นผู้นั้นสิต่องเบอาถึงการเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานทั้งสีนี่แล้วคือกองกุศนที่แท้จริงที่ถือต้อง ไม่ยังเรสติปัฏฐานพวกอย่างไสาออางไสาธิเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาไทยแปลว่าระลึกใจภาษาฝรั่งมาไม้ฟุตเนตเป็นว่าภาษาลาวอีสานบวานเห้าว่าหูเมือม่องหูเมือ่องหูเมื่อสติปัฏฐานแปลว่าบนหู้เมือ่องซีอันกายเพศหนาะจิตธรรมอันนั้นก็เป็นภาษาบาลีฟังไง กายคือขี้งเวท น, นาคือค้วมหูหวงวัสุขวัทุลุกจิตคือใจใจเป็นจังไดธรรมคือความหูสุดตามสภาวะทังมัดสติประธานสี่ก็คือหูเมื่อขี้งหูเ ม, มื่อค่วมหูเ ม, มื่อใจหูเมื่อหู หัวมื่อขีมงขี้งกาลังกบกําลังเหนื่อยกําลังโขกําลังเยียดกําลังนั่งกําลังยืนกําลังเดินจอบเบิ้งเจ้าของคือเบิ้งผู้อื่นพ่อเพิ่นนี่กําลังใส่ตักแนวกินดิเพิ่นนี่พวมนั่งอยู่เพิ่นนี่พ่วมยืนเพิ่นผู้นี่พ่วมยางโมเมนเต์อย่างนี้เบิ้งกคระขงให้คือเบิ้งผู้อื่นคนเบิ้งอันนี้ยากหัวมื่อโตยาักแล้มาหัวมือค่วม ห่วมสุขค่วมทุกข์ห่วมอยากตักไหล่ห่วมอยากกินเสพห่วมพ่อใจค่วมบ่พ่อใจโอ้ยบ่พอใจนี่อยากอะไรครูบาอาจารย์บอกมีแต่แนวเสียหายนอกเห็ดอันใดก็คือจังหวะหักหูเมือนมันเข้าไปบ่เมนเฮ้าเป็นผู้สั่งบ่เป็นเฮ้าเป็นผู้อยากไรเขาผลบักกิเลสปุนาขัานธะหูมาใจใจหูตาอ่ะ ใจห้องนี้แล้วว่ไงวัไงไอ้ของที่ยากเพีใจเป็นยังไงน้ใจฟ่าวฟ่าวจากกินฟ่าวยากยำฟ่าวยากตักเอาเลยลือว่าใจสงบใจสบายใจอ่อนสอนสาดเจ้าของนีเ้ามาบุญหลายแท่ง้อแต่มาปฏิบัติธรรมนาเพินคูบาอาจารย์รือ่ใจบุนไหจากห น, ห น, ith, ห น, fire, นีกินบ่อแสบกินอยากกินซา ตื่นแต่เถ้าลูกแต่เสากินงเขา่าสวยๆเป็นแต่จะเป็นโลกโลก็พาะตายเป็นโลกขาดอาหารตายอมมาผ่าตายแถวผ่านนังรถใจมันพาเป็นกี่เละอยู่นี่ใจมันพาเป็ น, ห, ใ น, ใ น, ปนห้าอย่าไปเขีย่ยอย่าไปคบอย่าไปอียิง้งมันหูจากมันจากสิใัรนกึกว่าหูเมืองหูพูดอะไนี่เป็นผู้หูจากหลอกแกล้งหูว่าหักหว่าสั่งหูว่าเหมือดหูวา่าแจ่ม